เคยไหมบินทบาตแล้วไม่ได้อะไรเลยกลับวัดสโอ้บ่อยแล้วที่ไหนฮะที่ที่บ้านยมผู้การก็เคยเง <laughs> ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องล้างบาทก็เคย <laughs> ไม่อันเนี้ยกลับมากลับมาถึงบ้านแล้วยังได้ <laughs> ที่ที่บ้านเกิดก็เคยนะบินทบาทโหล้างบาทไปยังไงกลับมาก็อย่างงั้นอะ ดีก็อยู่ใกล้ญาติหน่อยเขาะมาส่งจะไปเจอที่อื่นเนี่ยอดตายแนย่แต่เขาบอกเขามีวิธีอ่ะนะเขาบอกว่าถ้ารู้ไม่ได้ก็ไปยืนนานๆหน่อยเดี๋ยวเขารู้ว่าโอ้ท่านยังไม่ได้ดูว่าเออเขาไม่มีตักทานยิ่งไปยืนที่อื่นอีกอันนั้นอาชีว์ปริสุทธิศีินท่านไปเคยดีแล้วนะทําไงบอกท่านไปยืนทําท่าว่าฉันยังไม่ได้อ่ะคือเขาบอกว่ายืนนิ่งๆ น, น, นะ เขาวักว่าการยืนนิ่งๆรู้ว่าเขาเขารู้ว่าพระมายืนแล้วเนี่ยนะดูสังเกตดูถ้าเขามีศรัทธาที่จะให้ก็ยืนรอถ้าดูลักษณะว่าเขาไม่ให้อ่ะแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็ไปต่อยืนอยู่แบบนี้บ่อยๆเขาเดี๋ยวว่าฟลุกเองอ่ะเผื่อจะได้ทัก บ, บ้านหลังบ้านนะก <c oughs> ว่าพอที่จะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ท่านอย่าลืมนะในสมัยพุทธกาลนะอย่างนี้ก็มีนะมีจริงๆนะแต่ว่า ถ้าเราเอาจิตใจของอย่างผุุ้ชนอย่างเราไปเทียมเนี่ยเราจะรู้สึกโหเราจะหวั่นไหวแค่ไหนนะมือ น, นั้นอดแน่ไม่สบายใจเลยแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าพระภิกษุในสมัยพุทธกาลไม่มีความหวั่นไหวเลยแล้วท่านไปบินธบาตนี่นะท่านไปด้วยกุศลจิตนะจิตของท่านจะไม่ไม่มีความร้อ น, อ, นอะไรเลยอะ่ะก็พระรัฐบาลเนี่ยกลับไปบินธบาติที่บ้านอยมคือคือเดินเที่ยว บ, บินธบาตนี่มันนานก็ไม่มีใครใส่นะก็ผ่านไปทางบ้านพ่อ ไม่มีใครใส่บาตเลยเขาเขามีแต่ด่านะพ่อเนี่ยด่าเลยจําลูกไม่ได้ทีนี้ก็สาวใช้เนี่ยคนใช้ที่บ้านก็จะเอาขนมบูดไปทิ้งจะเอาไปเททิ้งอ่ะก็บอกว่าน้องหญิงไหนไก็เททิ้งอ่ะเททิ้งม่บาะเทในบาตอาตมาเถอะก็คือของมีอันทิ้งเป็นธรรมดาใช่ไหมก็อย่าทิ้งตรงนู้นทิ้งนี้เท่ากับประเคนด้วยในตัวท่านก็ไปชั้นอันนั้นแหละฉันยังมีความสุขเอออิ่มแล้วก็เสร็จแล้วมื้อหนึ่ง ไม่ตายแล้วเพราะว่าในขณะที่ท่านฉันท่านฉันทำไม่จ๊ะไหมไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่ออนุเคราะห์ความลำบากทางกายนะ เพื่อกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวไม่ทำให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นนะอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและก็ความเป็นอยู่โดยภาสุขด้วยจากมีแก่เราด้วยอาการอย่างนี้มันก็ฉันเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะได้อ บ, บรมอธิศีอธิจิตและอธิปัญญาอันชีวิตที่เหลือก็เพื่อชีวิตเพื่อพรหมจรรย์ พรหมจรรย์เพื่ออะไรนะเพื่อศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อนะพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อนาะลาบสการะเจ้าหมูเจ้าคณะให้คนยกย่องนับหน้าถือตาไม่ในพรหมจรรย์สูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไหมแต่พรหมจรรย์ที่พระองค์ทรงบำเพือตประพฤินั้นเป็นไปเพื่อสังวระประหานะนิโรธะ สำโพธายะและก็นิพพานายะอั้นเป็นพรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อสังวรเพื่อจะทําสังวรให้บริบูรณ์ทําให้ปาติโมกสังวรบริบูรณ์อินทรีย์สังวรบริบูรณ์ขึ้นขันติสังวรบริบูรณ์ขึ้นญาณสังวรวิริยะสังวรบริบูรณ์มากขึ้นเพื่อปะหาร น, นะเพื่อต่ทางฆ่าปะหารเพื่อวิขำพนะปะหารเพื่อสมุดเฉ ท, ทาปะหารเพื่อ ปฏิปัะสัที่ประหารและก็นิสรณประหารนิโรธาะเพื่อดับกิเลสนะแล้วก็เพื่อปรินิพานอันคือท่านมองเห็นว่าสังสารทุกข์เนี่ยมันทุกข์เหมือนกันเถอะอันพระ ท, ที่ท่านมีอัธยาไัยประเภทเน่ฆัมมะนะท่านก็ลักษณะพิจารณาจึงไม่ได้มีอะไรเป็นข้อผูกมัดข้อยึดติดสักอย่างหนึ่งนะพร้อมที่จะไปได้ ตอนท่านไปท่านก็พร้อมด้วยสติและสัมปชัญญาท่านไปนะโครจรสัมปัญญาสัมปชัญญาท่านพร้อมเลยอะ่ะเจนพานท่านขณะที่ไปก็ดีกลับก็ดีขณะที่กําลังรับบิณฑบาตก็ดีนี่นะก็สัมปชัญญาท่านพร้อมเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยท่านมีมีทั้งจิตตะด้วยนะฮแล้วมีทั้งมีทั้งดีมัน ด, ดีนะเอากรรมาฐานไปด้วยเหรอครับเจนน <idence? S 2> ท่านในขณะที่ มพอมือจับบาดปั๊บพิจารณาอย่างไรสมัยที่เราตอนที่เรียนสัมปชัญญะบัพพาว่าอย่างไงเนี่ยอสัมโมหะอย่างยิ่งบาดก็คือภาชนะใสยาจีวรที่เอามาห่มก็ผ้าพันแผล <c oughs> นั่นก็ใสา ย, ยามาเท่านั้นเองกดฉันไปก็บาดก็กระเบื้องใสยาอาหารที่รับประทานก็ไปอาหารก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปเลี้ยงกายกายก็มาถูกไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยเข้ามาหลอเลี้ยง ต่างฝ่ายก็ต่างไม่รู้ใช่ไหมพิจารณาไปแม้แต่ความคิดเหล่านั้นก็เกิดด้วยปัจจัยหาความมั่นคงถาวรไม่ได้สักอย่างแต่ถามว่าปฏิบัติด้วยความเศร้าส้อยเงาหงอยหรือเ ป, ปล่าเปล่ากุศลจิตเกิดขึ้นนะมีเวทนากี่อย่าง อ, าอ้าวกุศลจิตมีเวทนาสอง๋อเฉพาะกุศลจิตใช่คือสมณัตกับอุเบกขาเพราะนั้นถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นบริบูรณ์จริงๆนะ ถึงเราไม่มีอะไรนะสมมติว่าเดินเดินเนี่ยคนหนึ่งขับรถเต๋งไปเราเดินเนี่ยนะเรารู้สึกเรามีความสุขนะบอกว่าความสุขที่สุดก็มันเดินก็ดีเหมือนกันนะมันมันมันสบายใจบอกไม่ถูกอะถ้ามีคนขับให้เราขี่นะเรากลับทุกกว่าเดินในของของหลายครั้งวันเป็นอย่างนั้นเลยคือมันเกรงใจเขาถ้าเดินนี่มันคล้ายๆมันลาแข่งของเราเองใช่ไม แต่ถ้าหากว่า ม, มีคนมาคอยรับคอยส่งไม่สบายใจเลยจริงมันเครียดบอกไม่ถุงกันนะมันอึดอัดยังไงไ่รู้อ่นนะต่อไปอีกนะว่าถ้ามหาบุรุษเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์พิจารณาและฟดฟ่งแล้วคิดอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรแก่สักการะดังนี้แล้วทรรมกิจพิเศษของบุรุษในบุคคลนั้นในการก่อน ก็แหละมหาบรุษทรงยืนตรงไม่ต้องน้อมภวรกายลงก็ถูกต้องพระชาุทั้งสองด้วยพระกรทั้งสองได้และมีพระกายเป็นปริมณฑลดุจต้นนิโครที่งอกงามบนแผ่นดินด้วยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแล้วยังเป็นส่วนเหลือมนุษย์ทั้งหลายที่มีปัญญาอันละเอียดรู้จักนิมิตและลักษณะมากนะมากอย่าง ทำนายว่าพระโอรสนี้เป็นพระดรุณกุมารยังทรงพระเยว่ย่อมได้พระลักษณะอันคู่ควรแก่เครือัดมากอย่างกามะโพคะอันควรแก่เครือัดเป็นอันมากย่อมมีแก่พระราชกุมารผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินในมรดกวิสัยนี้ถ้าพระราชกุมา น, นี้ทรงละกามโภคะทั้งปวงทรงได้อนุตรธรรมอันเป็นทรัพย์อย่างสูงสุดอนุตรธรรมคือ ทำที่สูงสุดได้แก่มรรคผลและนิพพานพระผู้มีพระภาคนั้นหลังจากออกบวชพระองค์ได้โสดาปฏิมรเป็นต้นจนถึงพานิพานคันพระองค์เนี่ยได้อนุตธรรมได้ทําบรรดาวิราคะธรรมทัท้งหลายบรรดาธรรมะทัท้งหลาย อ, อะไรประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมะนะวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะได้แก่พานิพาบนบรรดาธรรมะสังฆะอะสังฆะเนี่ยนิพพานประเสริฐที่สุด แต่บรรดาสังฆตาธรรมทั้งหลายอริยมรรคประเสริฐที่สุดใช่ไหมบรรดาบุคคลทั้งหลายพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดอีกตอนหนึ่งว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกําเนิดก่อนเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุขหวังความกเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากด้วยมณสิการว่า ทำไหนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาก็คือหวังประโยชน์เพื่อกูลแก่ศาสทั้งหลายนั่นเองทำยังไงเขาจะมีศรัทธามากขึ้นชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศีนะย ล, ศห ล, ศาาหลศให้เขามีศีลเพิ่มขึ้นเ<ม>จริญด้วยสุตตะเจริญด้วยพุท ธ, ธิเจริญด้วยจาค่ะเจริญด้วยธรรมะเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยทรับและข้าวเปลือก เจริญด้วยนาและสวนเจริญด้วยสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าเจริญด้วยบุตรและภรรยาเจริญด้วยทาตและกรรมกรเจริญด้วยญาติเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกพ้องอย่างนี้นะก็คือหวังความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียวอยากให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญนะด้วยกุศทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกอ่ะทํำยังไงนะทรัพย์ภายในคือศรัทธาเป็นต้นของเขาจะบริบูรณ์ ทำอย่างไรซับภายนอกคือพวกเลือกสวนไร่นาเป็นต้นเนี่ยนะจะได้เจริญบริบูรณ์เพรัะอั น, นิสง์ที่หวังประโยชน์เกื้อกูลอย่างนี้เนี่ยตถาคตเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนสังสมพอกภูลไพบูร์นนะก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ล่วงเทพเหล่าอื่นด้วยนะสิ่งที่เป็นทิพย์สิบประการ ขั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปริศลักษณะสามประการคือมีส่วนพระกายข้างหน้าดังว่าตึงกายข้างหน้าของราชสีหนึ่งเรียกว่าร่างกายข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าองค์อาจเหมือนกับราชสีนะมีระหว่างพระปริสดางเต็มดีแผ่นหลังเนี่ยเต็มเป็นเหมือนกับแผ่นทองที่เอามาปะไว มีมีลำพา่าสอกลมเสมอขอพู้พระเจ้าเนี่ยกลมเสมอพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสามประการนั้นถ้าอยู่คลองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะรับผลพิเศษคือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาไม่รู้จักเสื่อมคือไม่เสื่อมจากทรัพย์ข้าวเปลือกไม่เสื่อมจากนาสวนไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าสีเท้าไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยา ไม่เสื่อมจากาธาตกรรมกรไม่เสื่อมจากญาติไม่เสือเส่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากพวกพ้องไม่เสื่อมจากสัพพะสมบัตินะไม่มีอะไรเสื่อมสักอย่างคือมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมท้องพระคลังมีแต่บริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นภาสีกมงนี้จะได้รับมากขึ้นมากขึ้นถ้าหากว่ามหาบุรุษนั้นออกบท เป็นบนรรปชิตจะได้เป็นผ้าอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาไม่เสื่อมคือไม่เสื่อมจากศรัทธาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมจากศรัทธาในกุศลธรรมพระองค์ไม่มีเสื่อมไม่เสื่อมจาก ศีลพระพุทธเจ้าไม่เคยเสียศีลมีแต่เพิ่มพูนมากขึ้นไม่เสื่อมจากสุตตะการได้ยินได้ฟังไม่เสื่อมจากจากข้าไม่เสื่อมจากปัญญาและไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งตัวพระองค์นี้ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยพระองค์ไม่มีเสื่อมสักอย่างนับตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสีที่บาสี สีห้าพระละห้าโพธชมเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่มีเสื่อมนัม่นแหละเพราะว่าพรพพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วพระมหาบุรุษย่อมปราถนาความเจริญกับด้วยประชาชนเหล่าอื่นว่าทำชนไหนพระหูชนจึงจะไม่เสื่อมศรัทธาศีลสุตสสตะพุทธิจาธรรมะ คุณธรรมอันให้สำเร็จประโยชน์มากซับข้าวเปลือกนาสวนบุตรภรรยาสัดสองเท้าสัดสีเท้าญาติมิตรพวกพ้องและพระวันนะสุขทั้งสองประการดังนี้ทั้งหวังความมั่งมีและความสำเร็จพระมหาบุรุษนั้นมีส่วนพระกายข้างหน้าดำรงอยู่เป็นอันดีดังว่า ก, กึ่งกายข้างหน้าแห่งรา ช, ชสีและมีพระศอกกลมเสมอกานทั้งมีระวางพระปริสงเต็มดีปิสงไมแปลว่าหลัง ลักษณะทั้งสามเป็นบุพนิมิตไม่เสื่อมปรากฏอยู่เพราะกรรมที่พระมหาบุรุษทรงประพฤติดีแล้วทำแล้วในการกอดพระมหาบุรุษแม้ดำรงอยู่ในขีหิวิสัยขิหิก็คือเครือขัดย่อมทรงเจริญด้วยข้าวเปลือกทรัพย์ บ, บุตรภรรยาสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าถ้าทรงตัดกังวลเสียทรงผนวดจะทรงบรรลุสมโภธิยานอันประเสริฐมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา ก็จะได้บรรลุพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณอรหัตตมรรคของพระองค์นั้นมาพร้อมกับคุณธรรมทั้งหมดว่าไงเคุณธรรมทั้งหมดที่จะพึงมีสำหรับความเป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นจะมีแก่พระองค์ทั้งหมดเลยเหมือนกับบอกว่าผู้ที่เป็นพระราชาเนี่ยพอได้รับอภิเษกปั๊บบ้านเมืองทั้งหมดถือว่าเป็นของพระองค์หมดใช่หเวลาพูดกับพระราชาเนี่ยฝาละองธุลีพระบาทใช่ห ถ้าบาดไปแล้วว่าอะไรเราว่าเท้าบอกว่าขพเจ้านี่เป็นเหมือนกับฝุ่นที่เท้าท่านน่นนะน่ะคิดดูขนาดนั้นนะชีวิตของคนทั่วไปเหมือนกับฝุ่นในฝุ่นเท้าเท่านั้นเองนั้นถ้าเป็นประดับพระราชาและจะเป็นสูงสุดระดับนั้นเขาเรียกว่าเป็นใหญ่ถ้ายิ่งเป็นพระราชาสมัยก่อนเนี่ยนะก็บอกไม่พอใจก็สั่งตัดศีรษะได้แต่พระราชาแบบนั้นนะถึงกับสั่งฆ่าคนได้เยอะๆเขาเรียกว่าทรราชนะษนะ์สัตว์ชั่วนั่นแหละ แต่ถ้าหากว่าด้วยเดชด้วยอํานาจเนี่ยสามารถเป็นได้ขนาดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดช ม, มีอํานาจมากมายมหาศาลถามว่าฤทธิ์เดชอํานาจต่างๆเหล่านั้นของพระผู้มีพระภาคมีเพื่ออะไรก็ลักษณะนั้นเองก็คือคุณธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบําเพ็ญทั้งหมดเลยสี่อสงไขยแสนกับเพื่อสัตว์อย่างเดียวนั่นแหละคือถ้าสําหรับพระองค์เองนั้นพระองค์เนี่ยพ้นแล้วเมื่อสี่อสงไขยที่แล้ว คือถ้าจะเอาให้พ้นนะแต่ว่าไม่เอาปล่อยอรหัตมรักอันนั้นทิ้งไว้ใช้เวลาที่เหลือบําเพ็ญเพื่อเพื่อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์สัตว์อย่างเดียวเพราะนั้นคุณธรรมทั้งหมดที่ทรงบําเพ็ญก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเราสําเร็จหรือเปล่า เ, เพื่อเพื่ออะไรบอกเพื่อเราดัานแร่คิดดูว่าพระองค์จะช่วยเราสําเร็จหรือเปล่าเนาะแต่เราต้องช่วยเราเองด้วยนะ <laughs>